พระธรร ม, มเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาระโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องเดินจงกรม สมาธิภาวนานั้นบางทีทำยังไงใจมันก็แข็งแข็งอยู่อย่างนั้นทำสมาธิไม่ลงทำยังไงก็ไม่ลงทำไปทำไปมันไม่สงบบอกมันว่าเจ้าเป็นผีนรกวิ่งขึ้นจากเอเวจีจึงแข็งกระด้างเพราะเผาไฟไล่ให้มันลงไปจมเอเวจีอีกอย่าให้มันขึ้นมาอีก ให้อเวจีเผาต้มมันด่าอีกแล้วก็ลงนอนพอเช้ามาก็ไปถ่ายโถนล้างกระโถนปฏิบัติท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ลุกขึ้นมาว่าท่านขาวท่านเป็นผู้ประเสริฐอยู่มาด่าตนเฮตด์หยัง่งให้ลงนรกอเวจียังไงนี่ประจานตนนี่ท่านประกอบกิจอยู่อย่างนี้แล้ว หนักเข้าละ่ะฆ่าตัวตายนะครั้นฆ่าตนตายแล้วนับชาติไม่ได้นะที่ฆ่ากันอยู่นี้ไม่มีพ้นทุกข์แล้วความที่โกรธนี่หนักหนักเข้าก็เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วก็500ร้อยชาติไปเที่ยวเอาพบเอาชาติทำเวรผูกเวรกันฆ่าตัวตายทั้งนั้นแหละอย่าไปทำอีกเที่ยวตนบริสุทธิ์ อย่าไปท้าตนอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอาจารย์มั่นนั่นใครนึกอย่างใดทําอย่างใดท่านรู้หมดท่านก็อยู่กุฏิโน่นแนะ่แต่มันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละขึ้นอยู่บนดอยของพวกมูเซอร์มันมีแต่เสือใหญ่ๆลายพาดกรอนเดินอยู่กลางคืนให้เสือมันมากินมึงเสียมึงเป็นหยังมึงหยาบแท้มึงแข็งแท้ เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธินั่งจิตมันก็ไม่ลงก็เลยนอนหลับไปปรากฏว่ามารดามานั่งอยู่นั่งค้างๆ ง, งูเซอร์มันมาจากไร่มันมีผักหลายมันจะเอาผักไปบ้านมันมารดาก็ถามมันว่าข่าวนี่ทํำยังไงถึงจะเป็นหนอมันตอบว่าไม่ยากไม่ยากดอก เอาของอ่อนให้กินเนอร์อย่าไปให้กินของแข็งถ้ากินของแข็งแล้วไม่เป็นครั้นกินของอ่อนละเป็นแม่ก็เลยว่าไม่เข้าใจของอ่อนของแข็งแม่ก็เอิญถามอีกทีว่าของอ่อนนี่มันอะไรเนอมันว่าเอาสารายสิ ม, มาให้มันกินก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเริ่มต้นพิจารณา พิจารณาของแข็งก่อนอะไรหนอมันว่าของแข็งงูเสอร์มันว่าอะไรเป็นของแข็งพิจารณาไปพิจารณามาความขี้โกรธอันนั้นแหละของแข็งอ่อนละ่ะมันว่าให้เอาของอ่อนมากินอ่อนอะไรพิจารณาไปไปมามาเมตตาได้ความแล้วเมตตา ตั้งแต่นั้นมาก็แผ่เมตตาไปทั่วทิศานุทิศแผ่ไปโมดสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาไปความโกรธนั้นอ่อนลงอ่อนลงความโกรธไม่ค่อยทำจิตไม่แข็งแล้วจิตอ่อนแล้วจิตอ่อนมันควรแก่การงานทั้งนั้นแหละจะทำอะไรมันก็ควรแก่การงานจะพิจารณาอะไรมันก็เหมาะ จิตอ่อนหมายความว่าจิตเบาจิตว่างเราภาวนานี้ก็อบรมจิตนี่แหละต้องการให้จิตอยู่ครั้นจิตอยู่แล้วมันจึงเกิดแสงสว่างขึ้นจิตเดิมมันเป็นของสว่างเป็นของเลื่อมประพัสสอนแต่อาศัยอาคันตุกะกิเลสมันจอดเข้ามาปกคลุม รัดรึงให้ขุนมัวเร่าร้อนอาคันตุ ก, กะกิเลศก็ไม่อื่นไม่ไกลดอกมันไม่พ้นนิวรณธรรมทั้งห้ากามชฉันทะพยาบาทถีณมิทะอุทัจจกุกุจจะวิจิกิจชานี่แหละเมื่ออารมณ์เหล่านี้ไม่ครอบงำแล้วจิตนี้มันก็อ่อนจิตสว่างสวยควรแก่การงาน การงานที่พิจารณามันเป็นแสงสว่างขึ้นนิวรนี้มันมาปกคุมห่อหุ้มให้จิตเศร้าหมองขุนมัวมืดดำให้จิตร้อนเป็นไฟขึ้นมีผู้ถามถึงการแก้กความง่วงเมื่อถินน้ำมิทะความง่วงเข้าครอบงำให้มองดูดวงดาวมองขึ้นไปดูอากาศ หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณความดีของเราอย่างหนึ่งที่เราได้บาเพ็ญมาเมื่อระลึกแล้วมันมีความดีใจที่ได้ทำมามันก็หายง่วงเหงาหานอนให้แผ่เมตตาเรื่อยมันเป็นที่จิตเรานั่นแหละเป็นเพราะอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มายุโยงให้จิตผูกจิตเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้ชำระอินทรีย์ทั้งหลายไม่ให้ยินดียินร้ายในสัมผัสทั้งหลายทำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์เรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะจริตของแต่ละบุคคลนิสัยมันต่างกันพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดละจริตของคนที่มีราคะมาก ให้อาศัยพิจารณาอาสุภะอสุพังให้เห็นความเปื่อยเน่าจะอิดหนาระอาใจเบื่อนายถอนจากความกำหนัดได้แก้โทสะให้มีเมตตาแผ่เมตตาบ่อยๆมากๆยืนเดินนั่งนอนมันก็อ่อนลงเองแก้โมหะความหลงให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองชำระจิต มีผู้ถามว่าท่านเดินอย่างไรปฏิบัติอย่างไรฉันแล้วก็ไปเดินมีนั่งบ้างหชั่วโมงตอนบ่ายไปเดินอีกสี่ชั่วโมงจึงมาปัดกวาดตักน้าทาข้อวัดแล้วก็กลับมาเดินอีก3ามสี่ชั่วโมงแล้วจึงขึ้นมานั่งอา น, นิสงส์ของการเดินจงกรม 1. เดินทางบ่อมีเจ็บแข้งเจ็บขา สองทำให้อาหารย่อยได้ดีสามทำให้เลือดลมเดินสะดวกสี่เวลาเดินจงกรมไปไปมามาจิตจะลงเป็นสมาธิได้สมาธิของผู้นั้นไม่เสื่อมห้าเทพพยายดาถือพานดอกไม้มาสาธุสาธุมาอนุโมทนานี่เป็นอนิสงค์ของการเดินจงกรม บางวันเมื่อครั้งอยู่กุฏิเก่าตรงข้างเจดีอาตมาเดินจงกรมมันหอมหอมทั่วหมดหอมอีอย่างนี่มันไม่เหมือนดอกไม้บ้านเรามันแม่นเทพ ย, ยดามาอนุโมทนาถือพานดอกไม้มาอนุโมทนาเรื่องเดินนี่มันเป็นเรื่องหัดสติจะใช้นึกพุทโทรไปพร้อมกันกับเท้าที่ก้าวลงไปก็ได้ยังไงก็ได้ อย่าให้จิตมันออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ท้งอดีตและอนาคตให้อยู่ที่จิตเท่านั้นอาตมากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ที่จิตเท้าก็เดินไปกำหนดอยู่ที่จิตไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆส่วนทางเดินจงกรมก็ไม่เลือกทิศ ท, ทางได้หมดแล้วแต่มันจำเป็นในที่เหมาะสมเดินไปเพื่อแก้ทุกขเวทนา ท่านอาจารย์มั่นท่านว่าให้เดินตัดกระแสของโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกท่านว่าตัดกระแสของสมุทัยให้ตัดกระแสแต่ถ้ามันจำเป็นมันยังไม่มีบ่อนที่เหมาะสมก็ไม่เป็นไรเดินมันไปอย่างนั้นเพื่อแก้ทุกขเวทนาดอก